ท่านสาธารณพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพบ ก, กับท่านทั้งหลายเรื่องพระจันทรกมุมารเป็นอนุนว่าวันก่อนมาหยุดลงตรงที่ว่าพระราชาสมิมิตรว่าได้ไปสวรรค์ท่นเทวโลกได้เห็นที่ประสมบัตินางฟ้าสวยสดงดงามมากแต่ด้ ว, ว่าอยากจะได้เมืองนั้น ยิงนี้ถามกันดาหาพรามซึ่งกันดาหาพรามสู้เป็นเพื่อเป็นบริโภคิตมีความาคาดมาาร้ายเจ็บใจท่าพระจันทรกุมานที่มีหน้าที่ตัดสินความแทนตนได้ความยุติธรรมก็แกกินสิ้นบนทั้งฝ่ายทั้งโจทย์และจำเลยใครให้มากคนนั้นชนะเมื่อโอกาสมาถึงแกจิงได้อะ กราบทูลพระราชาว่าถ้าต้องการจัดได้สวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกามาเป็นสมบัติของพระองค์แล้วพระองค์จะต้องทำทำการบูชา ย, ยันทว่าจะต้องใช้พระราชาบุดีคนพระมเหสีสี่องค์ชาวบ้านสี่โคสุภ ร, ราชสีมาชาในาสี เป็นนั้นว่าการบูชาสี่อย่างนี้แล้วก็จะได้สวรรค์ชั้นน ว, วดึงมาเป็นส <c oughs> มบัติเมื่อพระเจ้าเอกราชากับกันนหาพรามหรือาหารีตกลงที่จะประกอบวิสามันก็เรียกวิสามันทันทารุญยกรรม คำว่าวิสามันทำทารุนกรรมก็หมายความการกระทำแบบนี้เป็นการทำพิเศษไม่ถือว่าผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้ความไม่เข่าเช่นนั้นยิงได้มีเสียงร่ำร้องใด้ความกลัวก็ระเบงเสียงแท่ไปโทษพระราชวังราชสกูลได้สิ้นได้ปลายกฎเสมือนป่าไมา้ ป่าไม่รังที่ถูกพายุใหญ่หักล้มลงรละในดะนาดลงแล้วทำเอาพระเจ้าเอกราชาทรงอึง้งนี่หมายความว่าพอได้รับการศึกษาหารือกันข่าวนี้กระจายออกไปคนทั้งหลายต่างคนต่างพาเก็นกลัวตายก็คิดไม่ถึงว่าเราเป็นราชกุลมีใครบ้างหนอที่จะถูกฆ่า เรื่องการตายนี้ใครๆก็ไม่ต้องการแต่ว่าทิ้งอะไรคนดีราชาประเภทนี้ซึ่งถือว่าเป็นกฎของกรรมต้องยันเข้าถึงจนได้นี่เรื่องกฎของกรรมนี่เราทิ้งไม่ได้น่องพระรามยินดีกราบทูลว่าข้าแต่พระธิวะเ้าไม่ใช่พระามนะพวกนั้นนะพวกชาวชาววังทั้งหลายคือราชสกูลเนะ่ะ กราบทูลว่าข้าแต่ประเทวพระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะประกอบการบูชายันอันพิเศษนี้เพื่อไปสวรรค์หรือพระเจ้าค่ะนี่อ๋อนี่กันนะหาพรามเขาทูลตอนพระราชานิ่งอึ้งลงไปเห็นท่าจะไม่สมเร็จยังได้เตือนซ้ำว่าพระองค์นะเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว แต่ได้ว่าถ้าพระองค์ท้าพระไทยไม่แข็งไม่สามารถสร้างความดีเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ไม่สามารถจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ข้าพระเจ้าคิดว่าพระองค์ต้องทำพระโชกค่ะเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้เป็นแดนที่ประกอบไปด้วยความสศกสําราญเบิกบานใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาได้เพียงแค่จิตนึกเท่านั้นประจักรพระเจ้าค่ะตอนนี้เล่นเอาพระราชาพระเจ้าเอกราชาทรงอึ้งอึ้งพ่ อ, อไรวันหนึ่งลูกสี่คนสองมเหสีสีส่คนสามชาวบ้านสี่คนสีโคสุปราชสีที่หายาก ห้าม่ายชาในสี่อย่างด้าสีลสีนี้เป็นที่รักของพระองค์ทั้งหมดการตัดชิ้นใจเพื่อความสุขส่วนตัวแต่ว่าทำให้คนอื่นลาบากไม่ใช่ว่าพระราชาที่งโง่พระราชาส่วนใหญ่ก็ถือว่าตนเองเป็นพระราชวิดาของคนทั้งประเทศเหมือนกับลำบากสมเด็เพจพระจาอยู่หัวของเราเวลานี้ พระองค์ไม่ได้เป็นพระราชาอย่างเดียวแล้วสมเด็จพระบรมราชนินีนาถก็เช่นเดียวกันร่วมมือกับรัฐบาลร่วมมือกับบรรดาประชาชนทำทุกอย่างเพื่อประชาชนมีความสุขที่น้าประทัยของพระราชาที่ทรงด้วยทศพิธราชธรรมท่านทํากันอย่างนี้แล้วก็เจ้าคนไม่ดีจะมาสั่งฆ่ามาเฮสีสั่งฆ่าพระราชโอรส สั่งข้าชาวบ้านสั่งมาข้าวโคชั้นดีมาชั้นดีน้าพระเทศไทยเ็นพระราชาที่มีความฉลาดทําไม่ได้เพื่อคนที่จะเป็นพระราชาเนี่ยต้องบำเพ็ญกุศลมาเป็นพิเศษอย่างที่ปรากฏในเรื่องปรากฏในเรื่องของท่านในมีราชพระอินทรบว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้เพราะบําเพ็ญพรมพรหมจรรย์อย่างอ่อน คนที่จะเป็นเทวันดาได้เพราะความเพ็นพรหมจรรย์อย่างกลางคนที่จะไปนิพพานได้เพราะว่ามเป็นพรหมพรมจรรย์อย่างสูงถ้เาเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาจินสุนดัดว่าท่านอาจารย์ก็เมื่อเราบูชายันแล้วจะได้ไปสู่เทวโลกทําไมเราจะไม่อาจที่จะละลูกละเมีย ละสมบัติเล็กน้อยเท่านี้ได้เหเรานี่แต่นั่งแกปั่นเชยจนหมุนปันพระราชาเชยนหมุนพระรามจะได้กลาวทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นให ญ, ญ่เกิดมาเป็นชายใจขลาดอ่อนกำลังในความมุ่งหมายย่อมไม่สา ม, มารถที่จะประสบความสาเร็จได้เลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่า แหมนหนุนทันทีนะตั้งต่อไปราชาจึงมีพระดำรัสว่าให้เรียกราชบริษมาเมื่อราชบรุษมาแล้วก็ในสั่งว่าท่านพวกท่านทุกคนเราจะฆ่าบุตรและธิดาเนะี่และปัญญาของเราบูชายันเพื่อเราต้องการเทวโลก เจ้าจงไปบอกให้ทุกคนมาพร้อมกันณนะที่นี้โดยเร็วเอาเขาแล้วเนาว่าไงเขาว่ากัน <c oughs> ว่าตามท่านไปก่อนพระราชบรรดาราชบุตรแต่ทั้งหลายเหล่านั้นราชบุุรนะคือคนที่ปรรเป็นราชาเวลานี้ก็ข้าราชการเดี๋ยวไม่งั้นบอกอันนี้ตำรวจก็ใช้ได้ทหารก็ใช้ได้ <c oughs> คนที่ประราชารับใช้มีหน้าที่รับใช้เดียวค่าราชการเหล่าไหนก็ไม่ทราบร้าเจวารุ่นเ่านั้นเด็ตรงไปยังตำหนักของพระจันทกมุมารก่อนได้กราบทูล ว, ว่าข้าแต่พระราชกมุมารพระราชวิน ด, ดาของพระองค์เจะทรงข้าพระองค์เสร็จแล้วพระเจ้าค่ะเอ า, าละสิพระพุทธเจ้ารักจันทกมุมาร จะทรงฆ่าพระองค์เสียเพื่อจะเสด็จไปเทวโลกได้ทรงใช้ข้าพรเจ้ามาจับกุมพระองค์ไปพระเจ้าค่ะตาพวกนั้นแกพูดแล้ว ก, ก็น้าตาร่วงที่แรกเข้าไปได้วยการคึกคักแต่เห็นหน้าพระจันทรคุกคมารพอเข้าถึงประตำหนักก็เช็กย่องย่องเดินไม่คยไหวเพราะความรักในพระจันทรุกมาร ทั้งรักและทั้งกรรพบที่พระองค์ทรงทศพิจราาธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตาเป็นนิดไม่มีความใจร้ายแก่หมายข้า ร, ราชการทหารตำรวจทั้งหมดมีแต่ความเมตตาปราณีถ้าใครไม่ดีก็เตือนใครดีก็ให้รางวัลดันั้นพระจันทร์ในกรมาน จ, จริงเป็นที่รักของทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่ ไม่ว่าพระองค์จะไปไหนเมื่อทราบข่าวอะไรคนก็มาหลอบล้อมเหมือ น, นั้นสแสดงความเคารพแสดงความจงรักภักดีในเมื่อมาสูกสั่งให้ไปจับแบบนี้เกยก็น้ำตาร่วงเ ป, ป, ปาะเปาะเปะกล่าวว่าจะกราบทูลใน เ, เสียงขาดเป็นตอนตอนเป็นท่อ น, อนทอทั้งนี้เพราะอะไรว่าเสียดายพระจันทร์กุมาร แต่ยังไม่ทําตามรับสั่งก็เกรงว่าจะขัดต่อพระราชอัจฉริยะสายของพระราชาดีไม่ดีตนก็จะตายที่นี้กระลาบทูลให้พระจันทกุม า, ารทรงทราบมาดูพระจันทกุมารสำหรับพระจันทกุมาร น, นั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินได้รับคำเสี้ยมสอนจากรามที่ได้ถามว่านี่เธอทั้งหลาย ราชวิดาของฉันน่ะได้รับคําแนะนําเสี้ยมสอนจากใครหรือเปล่าที่จะสั่งให้ฆ่าฉันบรรดาราชบุตรทั้งหลายเหล่านั้นจะในกระทำว่าคนที่แนะนําเสี้ยมสอนพระราชาก็คือกันดาฮาพราหมณ์พระเจ้าขาท่านพระจัทนทกุมารให้มาจับเราพระจัทนทกุมารยืนเดิตัดถามว่า นี่เธอพระราชวิดานะี่ให้เพเธอมาจับฉันคนเดียวหรือหรือว่าจับคนอื่นด้วยมันดาข้าราชการพวกนั้นได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าไม่ให้จับพระองค์องค์เดียวรือพระเจ้าค่ะให้จับคนอื่นด้วยเพราะทรงมีพระราชาสงค์จะาบูชายัน การบูชายันนี่การหาพรามเขาบอกว่าต้องบูชาในหมดสี่คือต้องฆ่าพระเจโรสสีขฆ่าพระมเหสีสี่ฆ่าชาวบ้านสี่แล้วฆ่าม้าชาไนา ส, าสีขฆ่าโซโคสุราสีแต่คนที่ถูกฆ่านี่จะต้องเป็นคนดีโดยที่เขาแนะนำเป็นหัวข้อวันหนึ่งต้องทำบุญ สงต้องให้ทานแล้วสามต้องฆ่าคนที่ไม่ควรจะฆ่าเป็นอันว่าเขากราบทูลอย่างนี้ไปเจ้าขาแล้วพระราชาก็ทรงเทื่อพระจย์ดยนปรมาณยังทรงลำพึงในพระไัยว่าความฤิษยายังโรคให้ชิดหายแล้วกันท่านบอกว่าความอิจฉาฤิษยาเนี่ยทำโรคโลกให้คิดหาย ก็จะเหมือนเหมือนกับคนที่ชอบอิจฉาคนโลกจะมีแต่ความเล่าร้อนเยนนั้นพรามโฉดคนนี้ยองเวนในเราแต่ผู้เดียวแต่ว่าหายเหตุทำลายคนอื่นด้วยเมื่อไม่ได้ปล้นคนทั้งหลายในทางพิภาษาอธิการี์คำว่าปล้นหมายความโกงเขากินเขาในการตัดสินก็แย่ฆ่าคนอีกเป็นจนวนมาก เพราะจิตของเขาจองเวรแต่เราคนเดียวนี่พระองค์ทรงน้กว่าอเจ้านี้เขาจองเราคนเดียวแต่ว่าจะสั่งฆ่าเราคนเดียวนี่มันจะเป็นที่สแสลงใจสะเทือนใจและสงสัยจึได้สั่งฆ่าคนหลายคนพระองค์จึงได้ทรงดำริต่อมาไปว่าเอาเถอะความพ้นภัยของคนทั้งหมดนี้จะเป็นภาระของเราเอง เมื่อทรงดำพึงดังนี้แล้วจึงได้ตรักับบรรดาราชบุตรว่าถ้ายอย่างนั้นนะก็เธอเนี่ยจงปฏิบัติตามพระบัญชาของพระราชบิดากนแล้วกันอย่าเกรงใจฉันเลย <c oughs> บรรดาราชบุตรจึงจับคืออันเชิญม่ได้มัตไมดิจับมดิผูกไม่ได้บังคับ อันเชิญพระจันทร์ตุกุมารไปที่พลานหลวงพราะไม่ได้ราชชธุมารอนอื่น อ, อีกสามพระองค์แล้วก็ไปจับ ร, ราชกุมารีอีกสี่พระองค์แต่ความจริงคำว่าจับนี่เขาไม่ได้จับหรกเขาเชิญไปจับด้วยน้ำตาไหลเดินเข้าไปน้ำตาก็ไหล แต่งคนต่างก็อะไรต่างคนก็รักต่างคนก็มีความรบผู้ที่ถูกจับแล้วก็ไปจับพระมเหสีคืออัญเชิญพระมเหสีอีกสี่พระองค์คือพระนางวิทยาหนึ่งแล้วก็พระนางเอราวัีหนึ่งพระนางเกศีห น, นึ่งแล้วก็นางสุนันทาน รงล้วนแล้วแต่ทรงลักษณะงามมีไหลสวยสดผูองามมากแล้วก็ตรงไปจับเศรษฐีใหญ่สี่คนคือปุณณุกหนึ่งพัทยาหนึ่งสิงคาระหนึ่งและวัฒนะหนึ่งแม้ต้องฆ่าคนที่ไม่ควรฆ่านี่นะเอาเศรษฐีใหญ่สี่การจับพระจันทร์การจับ ราชเจตกูล น, นั้นไม่มีใครบังอาจห้ามปรามว่าขันได้ประกันแต่ประการใดทั้ทงนี้เพราะว่าเป็นพระราชปรารบเป็นขับเป็นพระราชรับสั่งลำรัดจากพระราชาแต่ว่าการจับเศรษฐีใหญ่ๆนี่ที่ทาให้วงสารทนาญาติของเขาซึ่งมีอยู่มากมายทั่วมณฑลก็การกาเริบใช่ไหม เขาก็ไม่ใช่จะหาวาเขากำเริบกำเริบก็ไม่ควรต้องทัดทานนี้ถูกเขาเหล่านั้นก็พากันมาแวดล้อมเศรษฐีจนถึงพรลานหลวงโอ้โหพวกเขามากในเศรษฐีคนดีนะไม่ใช่เศรษฐีเอาเปรียบชาวบ้านและต่างก็พยายามทุนวิงวอนขอชีวิตเศรษฐีไว้แต่ว่าพระเจ้าเอกราชายก็ไม่ทรงยินยอม กลับจัดสั่งให้จับบรรดาสัตว์ชนิดต่างๆทช่ช้างม้าโคเป็นต้นส่วนรุ่นแล้วแต่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองเอมามาอย่างละเสียะสี่เลก็ทรงประกาศว่าขอให้สนุกสนานรื่นเริงกันให้เต็มที่ในคืนวันสุดท้ายนี้จับพูนั้นไปแล้วก็ให้สนุกกันมมันชื่นใจ พิธีบูชายันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้เช้าแน่นอนโอ้โหตอนนี้เสียงการรื่นเรองรื่นเริ ง, เรงบรนเทิงใจของคนที่ไปจำนวนกันที่นั่นนับแสนแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องการเ ร, ราะต่อกระสิบไม่ใช่การเย้าหยอกสิ่งใดกันแต่กลายเป็นเสียงร้องไห้มีเสียงร้องไห้ระเบียงเสียงแท้แทนเสียงขับร้อง คือการลองเฟังก็เลยกันเป็นอนบาทในที่นั้นมีแต่หน้าเศร้าใจไม่เป็นสุกมีแต่ความทุกข์ว่าคนสําคัญญาติผู้ใหญ่ที่มีความสําคัญจะต้องตายเอาว่าเรื่องของท่านต่อไปว่าปายพระราชาฝ่ายพระราชมัรดาคือพระราชมัรดานะแล้วก็พระราชวีดายคำว่าเจ้าเอกราชา คือว่าในสมัยนั้นพระราชาในครองราชไม่ถึงกับจะต้องตายพอรูกชายมีความสามารถก็ให้ลูกชายเป็นพระราชาแทนฉะนั้นพระราชาบิดาและพระราชมันดาของพระเจ้าเอกราชาจึงได้ทรงชีวิตโทยทั้งสองพระองค์เมื่อทรงทราบข่าวถึงวิธีการอุบาทเช่นี้ ยิ่งไดส่งงินแสงพรางรีเสด็จมาพรางส่งมหาพระเจ้าเอกราชเอกราชายิ่งด้ตากเตียนว่านี่ลูกรักทำไมเจ้าจึงหลงเชื่อคำเสี้ยมสอนของไอค้คนอันดาพานเช่นนี้การฆ่าบทภัญญาเพื่อบูชายันจะเป็นทางไปสวรรค์อย่างนั้นมันมีที่ไหนกัน การเบียดเบียนคนอื่นนั้นมีทางเดียวปานนรกชัดๆการให้ทานการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงต่างหากเป็นที่ว่าเป็นทางไปสวรรค์นี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านจำมาให้ดีนะว่าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวของจันทกุมารนี้ท่านยืนยันว่าสวรรค์มีนรกมี แล่เรื่องเนมิราชก็ยืนยันว่าสวรรค์มีนรกมีพระพุทธเจ้าเองก็เคยเป็นเป็นเจ้าเนมิราชเคยถูกเชิญไปสวรรค์จำไว้นะถ้าใครก็พูดว่าเทวดาไม่มีจงทราบว่านั่นเขานับถือศาสนาอื่นไม่ใช่พระพุทธศาสนาจำให้ดีเลยนะ แล้วก็ไม่ต้องมาถามกันบ่อยๆปกต้ยิงคนนั้นคือว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มี <c oughs> ที่หลังจำไว้ว่าถ้าเขาว่าไม่มีเนี่ยหมายความคนนั้นไม่ใช่คนของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของศาสนาอื่นแต่เราจะไปหาว่าเขาชั่วแะ้วกันเป็นว่าความเข้าใจเขาเป็นอย่างนั้นก็เปเรื่องตามเรื่อง เรารู้เข้าใจอย่างหนึ่งเรามีความพอใจอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของเราเราเชื่อว่าสวรรค์มีจริงพรมมีจริงพระนิพพานมีจริงนรกมีจริงนา้คกระเพลตมีจริงอสุรกายมีจริงสัมเวสีมีจริงสัตติรชันมีจริงมนุษย์มีจริงก็เป็นเรื่องของเราสำหรับท่านจะว่ามีหรือไม่มีเป็นเรื่องของท่านยาวใจเข้าไปยุ่งกับท่านเลย ไปนั้นว่าคุยกันต่อไปว่าพระจันทร์ทุกมายก็ทรงรำพึงว่าก็นี่มันเราคนเดียวแท้ๆนี่นะที่ไปทำความดีขัดกับผประโยชน์ของเจ้ากันหาพรามเจ้าคุณ่านผู้มีอำนาจนะผู้มีอำนาจไอ้ความทุกข์สรหะเจีงเกิดขึ้นกับคนจานวนมาก ถ้าอย่างนี้แล้วก็เราจะพยายามทูลเวียวอนพระราชาีวิดาให้ปล่อยคนอื่นเสียเอาแต่เราคนเดียวก็แล้วกันในเมื่อเราเป็นศัตรูเขาเห็นเราเป็นศัตรูกับเขาก็เราตายคนเดียวก็หมดเรื่องย้ายคนอื่นเขาตายเลยนี่ดูน้ําใจพอสมเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดาสมัยที่เป็นพระจันทร์ระมาณ ท่านจ้นี้เข้าไปเฝ้าพระราชาวินดานิกราทุนว่าข่าแต่พระวินดาผู้ยิ่งใหญ่ขออย่าได้ข่าพวกข่าพระองค์จำนวนมากมายทั้งเพียงนี้เลยพระเจ้าค่ะถ้าพวกข่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แม้จะถูกจองจำได้โสตรนก็ยังสามารถทาประโยชน์ได้จากเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าขน ที่คนเยอ่อคนคู่ช่างและมาก็ได้ขอจงโดยทานให้พวกข้าพระองค์เป็นท่าแก่กันหาพราหมณ์ตามความประสงค์ของพระองค์หรือว่าจะขับไร่ที่จกรับหรือว่าเทศไปก็ได้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะท่องเที่ยวหาเรืีไปตามยถากรรมนายจงโดยทานชีวิตแก่ข้าพระบาททั้งหลายเถิดไปเจ้ากับ เมื่อพระจักรภูมิมากราบทูลดังนั้นพระราชาได้สนับคําก็ทรงนาพันอ่เอานี้พระราชาได้สนับคํารําร่รํารําพันร้องขอชีวิตของพระราชภูมิมาแล้วก็รู้สึกสลดพระไทยมีน้ําพระเนตรหลั่งไหลในที่สุดอยู่ในตถามว่านี่ เจ้าราพร่ำลํำพันขอชีวิตเพื่ออยู่ทําให้เกิดทุกขเวทนาแก่เราและอมตะทั้งหลายนี่ใจกรรันได้ว่าเจ้าพร่ำลํำพันเนี่ยร้องขอชีวิตอยู่ทําให้เรานี่มีทุกขเวทนาเกิดกับเราแต่ก็เศร้าใจและก็บดดาอมตะทั้งหลาย จึงได้มีรับสั่งวันนี่อมัดจงปล่อยทุกชีวิตในเดี๋ยวนี้เราขอพอกันทีเรื่องการบูชายันไม่เอาละเมื่อบรราชาตดอย่างนั้นปล่อยศัตรูตรงกันข้ามคือกันแะหาพรามัมสิ่งกำลังจัดพิธีกรรมอยู่ในหลุมยันได้ยินเสียงคนรอมโดยการว่าเฮ้ย เจ้ากันดาหานเจ้าคนอันดาผ่านไอเจ้าบันดินมีพระบรมราชโองการให้ปลดปล่อยแล้วคราวนี้เจ้ายังมีชีวิตอยู่เลยลเราจะฆ่าลูกข้าเมียของเจ้าเอาเลื่อยคอมาโบชาหยันละริงไอ้เจ้าพรามลินแบบนั้นก็ตกใจตกใจสุดขีดว่าเอ๊ะแล้วกันเรื่องกับโอรสพ่อแบบนี้เราก็พังแน่ ยังได้ขึ้นจากหลุมวิ่งในความเร็วสุดขีดเรากลับถูกไฟไล่ตามหลังไปเท่านั้นตรงไปพ่อพระราชาแล้วก็กราบถูนว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้ทรงได้ทราบอขอเดชะข้าพระองค์ได้กราบทูนไว้แล้วว่าการบูชายอย่างนั้นการกระเป็นการการะท ที่ให้สําเร็จได้ยากมาบัดนี้พระองค์ก็ไม่สามารถจะทําให้สําเร็จได้จริงๆแล้วพระองค์จะหาทางไปสวรรค์กันได้อย่างาไรพเจ้าคณาขอได้โปรดฟังข้าพระองค์อีกสักครั้งหนึ่งเถิว่าชนเหล่าใดได้บูชายันเองก็ดีให้พระ อ, อื่นบูชายก็ดี คือแม้แต่ยินดีในการบูชายันของผู้อื่นก็ดีชนเหล่านั้นย่อมไปสู่สวรรค์ทั้งหมดไปเจ้าขาแม้เจียวเอ้กราบทูลดีเมื่อพระาพงงราชาผู้โง่เขลาเบาปัญญาได้ฟงฟังคำสํานนนคล้ายสุภาษิตเช่นนั้นก็กลับสำคัญว่าการประกอบด้วยธรรม การบูชายัญเนี่ยเป็นธรรมอย่างสูงเป็นเหตุให้คนไปสวรรค์ได้แน่นอนแล้เราสามารถจะไปในชาติปัจจุบันคือมีชีวิตอยู่เนี่ยจะลอยไปสวรรค์ได้ยังได้แตรั่งให้จับกลุ่มค น, น, นหลายที่ปลดปล่อยไปแล้วกลับมาอีกเอ้ารอเลน่นเอาเธอกันแบบนี้ นี่บรรดาท่านผู้ฟังจำให้ดีนะว่าเราทำดีอาจจะถูกแ ก, แกล้งได้เพราะคนชั่วแต่ว่าตอนถูกเข้าแบบนี้ก็ น, นึกถึงเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระจนสีถูกมาในสมัยที่เป็นจันกรกุมารนี่ตอนนี้ถึงก่าว่าคราวนี้พระจักรกุมารทรงเห็นว่าพระราชวินดาเป็นคู่อ่อนไม่อปัญญาหาเหตุผลไม่ได้ ยิงได้ส่งชี่แจงเปรียบเทียบกรับทูลถามว่าข้าแต่สมมติเทพเหตุใดเมื่อพระองค์เกิดใหม่ๆก็ได้สรงให้พรามมากราวคำสวัส ด, ดีมงคลให้พรแก่ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์มีชีวิตเจริญไหวขึ้นครั้นเมื่อมาบัดนี้กับเปลี่ยนพระไทย ใจฆ่าเสียโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอนสมควรเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นเด็กเป็นเด็กๆพระองค์ไม่ได้ทรงคิดจะฆ่าหรือจะกำจัดแต่มาบัดนี้มาเจเริ่นวัยเป็นหนุ่มแล้วแต่ยังไม่ได้คิดที่จะปองร้ายพระองค์ด้วยพระองค์ก็กลับจะฆ่าเสียให้ตายข้าพระองค์จงทรง ล, ลึกนึกระลึกดูเถิดพจิจารณา เมื่อบ้านเมืองเกิดสึกกำเริบร้อนขึ้นข้าพระองค์ทรงเครื่องยุธนั่งบรรคอช้างหลังม้าออกชิงชัยก็จะยังมีประโยชน์แก่บ้านเมืองแต่กลับจะค่ายตายเส้นโดยไม่ใช่การไม่ใช่ทีข้าแต่พระเชวิดาธรรมดาแม่นกที่ทำรังให้ลูกอยู่อาศัย ย่อมจะอยู่ในรังนั้นด้วยความรักลกูกแต่ว่าพระองค์กลับจะฆ่าลูกเสียแล้วยังแล้วจะอยู่กับคนอื่นที่ไม่ชินลกูกถ้าพระองค์ฆ่าลูกลูกเสร็จแล้วเขาจะเขาคงจะฆ่าพระองค์เพราะทีด้น้อยด้น้อยเนี <c oughs> เขาก็คงจะฆ่าพระองค์เสียทีด้น้อยด้น้อยด้วยฆ่าแต่พระราชวินดาของลกูก ราชาได้ทรงพระราชทานยศศักดิ์ทรัพย์สมบัติแก่พรามได้แล้วพรามนั้นยังทําประทุษา้ายต่อราชใดกุลของพระองค์จะถือ ว, ว่าพรามได้ทําประโยชน์ตอบแทนคุณได้อย่างไรกันแหมท่านตัดดีนะแต่พรามนั้นคือคนในระคุณอย่างไม่ต้องสงสัยนี่ว่าตามท่านนะ ถ้าแต่พระราชบินดาผู้ประเสริฐขอจงได้ทรงพระกรุณาประหารประทานชีวิตแก่ข้าพระบาททั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะแมฟังแล้วน่าสงสารนะแต่วิจารณ์อะไรไม่ได้เวลามันเลยไปครึ่งนาทีกว่าแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบันดา่านพุทธบริษัทไปก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลามันหมด ขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลยังมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี